ฟังกันตามสบายาลูกเด่นตั้งใจฟังหลวงพ่อหน่อยนะหลวงพ่อไม่ได้มาเทศนะเนี่ยมาเล่าดิทานที่เคยลง f a เฟซ o ุ๊กามาให้ลูกเด่นฟังอีกครั้งหนึ่งวันนีก็นํามาเสนอหลายเรื่องอยู่ถ้าลูกเด่นตั้งใจฟังก็ได้ประโยชน์ยุคนี้เป็นยุคสมัยเทคโนโลยีจเจริญมากปยุคออนไลน์ถ้าใครเล่นไลนไม่เป็นใครไม่มีเฟซบุ o กใครไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ถือว่าเชย หรือล้าหลังไม่ทันสมัยหรือใครเล่นดีเมลไม่เป็นก็อย่าไปตามโลกไม่ทันข่าวสารเนี่ยไวมากแต่ในเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่ถ้าเราถ้าเราปล่อยตามใจตัวเองนะบางครั้งเราก็ตกเป็นท่าของมันได้คือเล่นแบบไม่ลืมหูลืมตาจนเราเสียเวลาบางคนเล่นเกมเนี่ยทั้งวันทั้งคืนบางคนเล่นต้อง 3- 4ี่วันข้าวปลาไม่กินจนตายคาโต๊ะหรือตายคาหน้าจอก็มีอย่างประเทศเกาหลีใต้ ก็มีข่าวมีคนเล่นเกมตายให้เราดูหลายคนแล้วนิทานเรื่อง ห, หน่งที่หลวงพ่อจะเล่าก็เรื่องสวรรค์ของคนขี้เกียจมีชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนขี้เกียจมากงานการไม่ทําไม่ยอมช่วยเหลือพ่อแม่วันวันหนึง่งเอาแต่เล่นเกมเป็นคนติดเกมมากวันวันหนึ่งก็ไปอยู่หนะ้ร้านเกมออนไลน์แล้วการที่เล่นเกมบ้ามากเนี่ยทําให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนจนในที่สุดร่างกายก็ทนไม่ไหว ก็หัวใจวายตายคาตู้เกมแลัอจากตายไปวิญญาณก็ล่องลอยไปอยู่ที่หนึ่งสถานที่นั้นก็ใหญ่โตมากก็มีผู้คุมสถานที่ออกมาต้อนรับแล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับท่านผู้เยือนที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านต้องการมีแต่ความสุขสนานเพลิดเพลินมีกามีดูหนังฟังเพลงมีเกมให้เล่นอยากจะนอนก็ได้นอน อยากกินก็กินได้ทั้งวันเราขอรับรองว่าจะไม่มีงานให้ทําทุกชนิดให้บันเทิงอย่างเดียวอย่างผูชายคนนี้ได้ฟังก็ดีใจมากก็เลยตกลงว่าเต็มใจอยู่อย่างยิ่งหลังจากอยู่ไปประมาณ3เดือนชายผู้นี้ก็ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเสพสุขทุกชนิดเริ่มรู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งจึงเข้าไปหาผู้คุมสถานที่นี้เพื่อจะไปขอการทําำ ไ, ไปเจอหน้าผู้คุมผู้คุมเปรตาวาด บอกว่าไม่มีงานให้ทำได้ดั้งสิ้นชายผู้นี้ก็ต้องทนเซงต่อไปผ่านไปอีกสามเดือนชายคนนี้เริ่มทนไม่ไหวแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอย่างเดียวชีวิตไร้าสาระกินมากก็อ้วนนอนมากก็เฉื่อยชาขาดความกระตือร้นชีวิตเริ่มขาดความสุขล้วจึงเข้าไปไปหาผู้คุมอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาขอ ง, งานทา ชายผู้นี้ก็บอกว่าผมเริ่มทนไม่ไหวแล้วมีงานให้ผมทำไหมครับถ้าไม่มีงานผมขอตกนรกดีกว่าผู้คุมก็บอกเจ้าคิดว่าที่นี่คือสวรรค์เหรอที่นี่คือนรกเป็นนรกสําหรับคนขี้เกียจซึ่งทรมานยิ่งกว่าลงกะทะทองแดงหรือปีต้นงิ้วอีกทรมานจิตใจเพราะคนเราจะต้องทำหน้าที่ต้องทํางานแล้วก็ต้องทำอะไรอื่นอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่สําหรับคนที่ขี้เกียจไม่ทํางานไม่มีความคิดสร้างสารรค์ ชีวิตก็เปรียบเหมือนคนที่ตายแล้วอยู่ไปก็ไร้ค่าชีวิตก็เหมือนกระซากศพที่เดินได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรนิทานเรื่องนี้ก็มีแง่คิดว่าคนเราเนี่ยต้องทําหน้าที่คนที่ขี้เกียจหนีตัวเองเนี่ยจะไม่มีความสุขหรอกคนที่เกียจก็จะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมท่านพูดลูกเนเรก็อยาวเยี่ยงอย่างเราต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดเราจะได้มีความสุขมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนิทานเรื่องที่2เรื่อง เทวดากับนนอนชายสองคนนี้เป็นเพื่อนรักกันมากอีกคนหนึ่งชื่อว่าในบุญอีกคนหนึ่งชื่อว่าในดำในบุญเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานชอบช่วยเหลือสังคมแล้วก็รักษาศีลขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์มากมายคันตายไปก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ส่วนในดำมีนิสัยตรงข้ามชอบเล่นกนนารพนันฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคันตายไป โดยการที่ชอบเสพอะไรต่างๆก็เลยทำให้เกิดเป็นหนอนอยู่ในซ่วมโบราณของวัดแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเทวดาก็เกิดคิดถึงเพื่อนขึ้นมาว่าเพื่อนเราจะเป็นอย่างไรหนอในบุญเป็นคนรักเพื่อนมากสองคนนี้คบกันได้ทั้งที่นิสัยแตกต่างกันมากก็เลยตรวจดูจึงรู้ว่าเพื่อนไปเกิดเป็นหนอนอยู่ในซ่วมวันหนึ่งจึงลงมาเยี่ยมคันเจอเพื่อนอยู่ในซ่วมเพื่อนยังจําไม่ได้ เทวดาก็เลยใช้ลิศให้เพื่อนจับความหลังได้แล้วก็ทักทายพูดคุยกันเทวดาก็ถามสบายดีไ้ยเพื่อนหลอนก็บอกว่าสบายดีตอนนี้การเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์มีความสุขมีทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะมาชวนเพื่อนไปอยู่สวรรค์ด้วยกันเพื่อนจะไปไหมหลอนก็ถามว่าบนสวรรค์มีดีอะไรเทวดาก็ตอบว่าที่นู่นมีทุกสิ่งทุกอย่างที่นู่นมีดางฟ้ามีสถานที่สวยงาม เราอยากนึกอยากกินอาหารดีๆอาหารก็จะลอยม า, มาต่อหน้าทันทีแค่คิดเท่านั้นทุกสิ่งก็อยากปรากฏต่อหน้าหนอนได้ยินดังนั้นก็ตกใจแล้วก็พูดกับเทวดาว่าโอ้หนาสงสารลงมาอยู่กับข้าดีกว่าข้าสบายกว่าเจ้าเยอะเลยเทวดาก็ถามว่าหนอนน่าสบายยังไงหนอนก็ตอบว่าของข้าเนี่ยไม่ต้องนึกเลย ถึงเวลาเนี่ยพัดเองก็มาขี้ขี้แล้วก็อาหารก็ตกต่อหน้าเลยเราไม่ต้องนึกแล้วเราก็มีหนอนตัวเมียมากมายให้เสพสุขอย่างนี้เราจะไม่สบายกว่าเจ้าเหรอเทวดาไม่รู้จะจะคุยยังไงเพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคือหนอนก็เทวดานี่ความคิดไปคนละอย่างเลยคือหนอนก็ว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วเทวดาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นการขอลากลับละคุยันไม่รู้เรื่อง จะไปชวนให้ไปอยู่บนสวรรค์แน่นอนมันจะชวนให้ลงอยู่ในส้วบสินิทานเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดตรงที่ว่าคนเราเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่ความคิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะความอยากของคนจะไม่เหมือนกันบางคนชอบอย่างนี้เราอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะแต่ละคนกิเลสไม่เหมือนกันบางคนกินอาหารแบบนี้อีกคนอาจจะไม่ชอบบางคนดูหนังเรื่องนี้อีกคนก็จจะไม่ชอบดูหนังสไตล์หรือฟังเพลงคนละสไตล์เพราะต่างคนต่างมีกิเลสเหมือนไม่หดดดห Alors, เหม like ือนกันบางคนก็ชอบ ใบยมุกต่างๆบางคนก็ชอบเข้าวัดชอบความสงบทั้งจิตใจแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเขาก็ว่าของเขาดีอะเราก็ว่าของเราดีบางทีก็ขวนยากเขาอยู่จิตอยู่คนละภพคนละภูมิพี่ชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้เป็นคนที่หายลมทั้งวันเลยคือตดวันหนึ่งก็มาหาหมอมาปรึกษาหมอว่าคนทําไงดีมาถึงก็บอกหมอว่าหมอผมเนี่ยมีแก๊สในท้องเนี่ยตดวันหนึงไม่รู้กี่รอบ แต่มันก็ไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นนะแต่ผมก็รู้สึกรำคาญตัวเองหมอว่าควรจะทําไงบอกก็ได้ฟังแต่ก็แสดงสีหน้าไม่สู้ดีหน้าเบ้สักพักหนึ่งหมอก็จ่ายยาให้แล้วบอกกับชายคนนี้ว่าเวลายาหมดแล้วให้มาหาหมออีกนะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งชายคนนี้ก็กลับมาอีกครั้งนึงมาถึงก็โวยวายกับหมอว่าหมอยาอะไรผมกินเนี่ยเมื่อก่อนนะผมไม่ได้รับกินตดเท่าไหร่ก็ไม่เหม็นแนตะ่ตอนนี้ กลิ่นเหม็นมากเลยยาลายหมอหมอก็ยิ้มแล้วตอบว่าอืตอนนี้หมอรักษาไปได้5้อร์เแล้วแต่ยังมีปัญหาเรื่องการได้ยินหมอกเลยบอกว่าเดี๋ยวหมอต้องจ่ายยาเพื่อให้ได้รับเสียงให้ดีขึ้นเรื่องนี้ก็จบก็มีคนอีกหลายประเภทที่เป็นแบบชายคนนี้คือไม่รู้จักตัวเองผมไม่รู้จักตัวเองปุ๊บก็ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาคือตัวเองอยู่กับความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ถามเป็คนอื่นทุกข์ด้วยคือตด ตดแล้วคิดว่าตัวเองไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่เป็นไรไอนที่แย่เลยคือสร้างความทุกข์แต่ไม่รู้ตัวเองทำความทุกข์เนี่ยคนประเภทที่มีเยอะนะแม้แต่ในวัดเราก็มีบางคนก็ไม่รู้ตัวเองคนไม่ดีส่วนมากคนที่ทําไม่ดีก็จะคิดว่าตัวเองคนดีแหละคนบ้าก็ไม่รู้ตัวเองบ้าบางทีอย่างลรงพยาบาลศรีัญญาเนี่ยถามว่าคนบ้าบ้าไหมคนบ้าก็ว่าหมอบ้าแหละบาคนถามบ้าเจ้าตัวไม่มีใครรู้ตัวเองบ้าหรอกถ้ารู้ว่าบ้าปุ๊บก็หายบ้านทีงั้คนเราจึงต้องมาเรียนธรรมะ มาเพื่อรู้จักตัวเองอย่าพูดลูกเนรนะทำถูกแล้วที่ได้บวชถ้าเราลูกเนรกับศิลจารได้นีไม่ได้บวชก็ยังไม่มีใครบอกพอไม่มีใครบอกเราก็ไม่รู้จักตัวเองภายภาคหน้าเราก็แอบอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาก็ได้และโดยธรรมชาติเนี่ยจิตที่คิดจะให้ย่อมมีความสุขกว่าจิตที่คิดจะเอาแต่คนทั่วไปอ่ะมักต้องการที่จะเอามากกว่าจะให้อย่างนิทานเรื่องนี้เรื่องผู้ให้ผู้รับมีวิ ญ, ญญาณอยู่สองคน หลังจากพ้นโทษเพราะตกนรกมานานพญาโยมก็จะให้ไปเกิดใหม่แต่ก็ให้โอกาสให้วิญญาณชายสอคนนี้ได้เลือกเอามีเงื่อนไขมีให้เลือกอยู่สองทางหนึ่งไปเกิดเป็นผู้ที่ทั้งชีวิตจะต้องช่วยเหลือคนให้ซีนของกบคนตลอดชีวิตกับสองเป็นผู้รับตลอดชีวิตจะเลือกเอาแบบไหนวิญญาณตนแรกยกมือขึ้นทันทีเลยบอกผมขอเป็นผู้รับตลอดชีวิตครับ พญายมก็บอกว่าเจ้าเนี่ยมีความโลภอยากได้ถ้างานจงไปเกิดไปขอทานเพราะขอทานเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยรับอย่างเดียวไม่ต้องให้ส่วนชายคนหนึ่งที่ยกมือช้าเนี่ยไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีตลอดชีวิตต้องช่วยเหลือคนอื่นทาบุญทำทานตลอดชีวิตสรุปแล้วลูกเรียนว่าเป็นผู้ให้กับผู้รับแอนดี้บวกการลองตอบสิใช่เป็นผู้ให้ดีกว่ามีความสุขกว่าขณะที่ช่วยหลือคนอื่นเนี่ยเราก็สุขแล้ว แต่ผู้รับบางทีเราอาจจะผิดหวังก็ได้เพราะว่าไม่สมหวังอาจจะทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ให้เนี่ยไม่ทุกข์นะยังไงก็ไม่ทุกข์ไม่ผิดหวังแน่นอนมีชายอยู่คนหนึ่งชายคนนี้เป็นลูกเศรษฐีมีทุกสิ่งทุกอย่างพอหมดรูปหล่อพอ่อรวยเรียนสูงมีลสาว ม, มาชอบมากมายแต่แล้วอยู่บาวันหนึ่งชีวิตของชายคนนี้ก็สมบุญแบบยิ่งขึ้นเนื่องจากพี่ชายซื้อรถสปอร์ตให้เป็นของขวัญวันเกิด ใชร์คนนี้ปื้มใจมากรถสปอร์ตคันหนึ่งก็เป็สิบล้านนะผู้ไฮโซขับกันชายนุม่มจึงขับรถสปอร์ตคันใหม่เนี่ยไปเที่ยวแต่ที่ต่างๆกินลมแล้วก็ต้องการอวดคนอื่นด้วยว่าเรามีรถสปอร์ตขับขับจนเหนื่อยกระจอดพักชมอยู่ข้างทางขณะนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งเด็กคนเนี้รักรถมากมาลู่ลู่คําำอยู่ต้องนานชายนุม่มเห็นเข้าก็ปื้มใจ แล้วลงมาคุยด้วยบอกน้องถูเบาๆหน่อยเดี๋ยวรถพี่ถลอกเด็กก็บอกว่ารถพี่สุดยอดเลยพี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่ชายหนุ่มก็ตอบว่าพี่ไม่ได้ซื้อหรอกพี่ชายของพี่ซื้อมาเป็นของขวัญให้เด็กก็ตอบว่าโอ้โหดีจังเลยผมอยากผมอยากแล้วก็พูดแบบตะกุกตะกักต้องนาน ชายหนุ่มคิดว่าเด็กคงอิจฉาเขาที่เขาเนี่ยมีพี่ชายซื้อรถสปอร์ตให้คงพูดไปออกแต่ที่ไหนได้ฝาพี่ชายหนุ่มนะ่ะผิดเด็กพูดต่อว่าโอ้โหดีจังเลยผมอยากจะเป็นแบบพี่ชายของพี่บ้างผมจะได้ซื้อรถสปอร์ตให้น้องผมบ้างตอนนี้ชายหนุ่มอึ้งเลยเพราะคิดไปถึงว่าเด็กคนนี้อยากเป็นคนให้มากกว่าคนรับเพราะโดยทั่วไปเนี่ยคนอยากเป็นคนรับมากกว่าคนให้ ก็เลยถามเด็กว่าไปนั่งรถเที่ยวกับพี่ไหมเด็กก็ตอบตกลงไปใช้หนุมก็พาเด็กเนี่ยขับรถเที่ยวเที่ยวไปรด้ักพัหนึ่งเด็กก็บอกบอกว่าพี่ช่วยขับรถไปไปที่บ้านผมได้ไหมช้หนุ่มก็นึกว่าเด็กคนนี้นคงอยากจะโชว์ชให้เพื่อนบ้านได้เห็นว่าได้นั่งรถสปอร์ตหรูอ่ะไหนๆก็ไหนๆละตามใจหน่อยจะขับรถพาไปที่หน้าบ้านเด็กเปิดประตูรถได้ก็วิ่งขึ้น บ้านทันทีหายไปสักพักหนึ่งก็อุ้มน้องที่ขาพิพการลงมาที่หน้าบ้านแล้วก็ชี้ไปที่รถสปอร์ตบอกได้ไงเบอร์ดี้ที่พี่ พ, พูดถึงพี่ชายเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดสักวันหนึ่งพี่จะซื้อให้น้องได้ได้ชมความงามของรถบอดี้บ้างสักวันหนึ่งพี่จะซื้อให้น้องให้ได้ชายหนุ่มสาสึงใจมากพบคิดไม่ถึงว่าเด็กจะรักน้องขนาดนี้ จึงวนสองคนเนี่ยนั่งรถบรดี้สปอร์ตเที่ยวด้วยกันนี่ค่เรื่องนี้ก็จบจบแบบมีความสุขจิตที่ขี้หน่ายย่อมดีกว่าจิตที่ขี้จะเอาอันนี้เป็นเรื่องจริงอย่างลูกเนรเนี่ยถ้าเกิดมาบวชช่วยฝาดใบไม้ช่วยเก็บขยะช่วยงานวัดต่างๆเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วเราเห็นวัดสะอาดเราก็มีความสุขเรามีส่วนช่วยแต่ถ้าเรามักง่ายทิ้งขยะทิ้งขวดน้ํา ถึงเศษขยะลงไปลูกเรนก็ทําผิดแล้วเราเราทำให้วัดสกรปรกแค่เราคิดเราก็ไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นลูกเรนจะต้องมองในทางต้องเปลี่ยนวิธีคิดคิดในทางที่สร้างสารรค์คิดในทางให้ทําประโยชน์คัาคิดเราสามารถเปลี่ยนได้ให้เป็นคนมีเมตตาช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยสัตว์ที่เดือดร้อนอย่างเด็กบางคนเนี่ยใจร้ายเห็นยุงก็ตบเห็นหมดก็บี้อย่าพผูลูกเรนเนี่ย มีโอกาสได้บวชมานะเราจะเราจะรู้จะเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องบุญและบาปทึ่เด็กข้างนอกไม่รู้เลยถ้าลูกเรียนไปเผื่อไปฆ่าสัาตว์ชีวิตมากๆโตขึ้นเนี่ยเราต้องใช้กรรมใช้เวรพวกสัตว์าาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนเราหรืออาจจะไปล่วงละเมิดทํากรรมทําเวรที่เราไม่เจตนาก็ได้เพราะคนเราทําผิดเพราะไม่รู้แต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยเราได้เรียนรู้เนี่ยได้เปรียบคนไม่รู้เราก็สามารถพัฒนาให้ตัวเองเป็นคนดีได้ แล้วไม่มีการมีเวรมากอันนี้ฝนก็แก้งนะเนี่ยทำให้ได้ยินได้ฟังไม่ถนัดแต่หลวงพ่อก็จะพูดให้จบไปแหละพ่อมีอีกสองสามเรื่องลูกเร็ยนตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะหลวงพ่อจะไม่มีโอกาสมาเล่าทิฏฐาให้เด็กๆฟังหรอกเพราะประเทศเรื่องอื่นเ น, นี่ยก็ฟังไรู้เรื่องประเทศเรื่องง่ายๆเรื่องธรรมดาๆรรให้ฟังถ้าทางฝนจะไม่ให้ไม่ให้เทศต่อเนะี่ยจะให้เลิกตกหนักขึ้นมีนิฏฐาอยู่เรื่องหนึง่งเรื่องคนเหมือนกัน เรื่องที่ายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าเสืออยู่ครั้งหนึงท่านต้องการมานำเพ็ญการพระพุทธบาทท่านก็เลยมาทางเรือเรือพระที่นั่งขณะที่แล่นอยู่ฝีพายก็พายเรือไปรู้สึกเหนื่อยมากเห็นมหาเล็กนั่งหลับสบะบังกเลยหมหาเล็กสบายฝีพายก็พายอยู่นั่นแหละฝีพายก็อิจฉาหมหาดเล็กจึงบ่นว่าคนเหมือนกันพายไปได้ทั้งพักหนึงก็บ่นอีก บอกคนเหมือนกันที่ว่าพระเจ้าเสือสังเกตเห็นจึงลึกว่าฝีพายคิดอะไรอยู่แต่ท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรนะจนมาถึงที่พักระหว่างทางพระเจ้าเสือให้ฝีพายได้รู้สํานึกเสือใช้หมาเล็กไปทำบรรทุนที่อื่นแล้วก็เรียกฝีพาย ข, า ข, าข้าไปดูใต้ถุนว่ามีอะไรอยู่ใต้ถุนที่นั่งชั่วคราวฝีพายพุดเข้าไปแล้วก็บอกว่าหมาออกลูกพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือก็ถามว่าออกลูกกี่ตัว สีพายก็ตอบว่าสี่ตัวพระเจ้าค่ะแล้วตัวผู้หรือตัวเมียอย่างละกี่ตัวสีพายก็พูดเข้าไปอีกขันออกมาก็บอกว่าตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวพระเจ้าค่ะแล้วสีอะไรพูดเข้าไปอีกก็บอกว่าสีดํากับสียมตาลพระเจ้าเสือก็ถามต่ออีกแล้วแม่หมาสีอะไรสีพายพูดเข้าไปครั้งที่ห้าเรก็บอกว่า สีนวลพระเจ้าค่ะเสือก็เรียกมหาเล็กเข้ามาเจ้าลงไปดูที่ข้างล่างมีอะไรหมาเล็กหายไปพักหนึ่งขึ้นมาก็ตอบว่ามีหมาแม่ลูกออดออกลูกหมาออกลูกสี่ตัวตัวผู้สองตัวเบียสองสียมตาลกับสีดําแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือจึงหันไปถามสีภายไหนเจ้าบอกว่าคนเหมือนกันแต่ทําไมมันไม่เเหมือนกันครั้นแล้วพระเจ้าเสือก็ดูฝีพายอบรมสั่งสอนอยู่พักหนึ่งนิทานเรื่องนี้ ก็ให้แง่คิดว่าคนเราเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันบางคนก็ทํางานเก่งฉลาดบางคนก็ไม่ทํางานไม่เก่งเพราะงั้นการที่ทํางานไม่เหมือนกันเนี่ยเงินเดือนก็ไม่เหมือนกันลูกเนก็ต้องหาพัฒ น, นาตัวเองถ้าอยากเก่งนะแต่ถ้าเราไม่ขยันหาความรู้เนี่ยโตขึ้นเน่ยเราก็ทํางานเป็นลูกจ้างไม่สามารถรวย ไ, ได้แต่ถ้าเราเรียนมากขยันเราก็สามารถมีการงาน มีฐานะที่ดีได้เพราะแต่ละคนฟังสามารถไม่เหมือนกันถ้าเราขี้เกียจทําตามกิเลสเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ความรู้ใหม่เพิ่มขึ้นเราก็อาจจะเป็นแบบฝีพายก็ได้ให้นนคนเราพัฒนาได้ที่ฐานแล้วสุดท้ายที่หลวงพ่อจะเล่าเนี่ยลูกน้องก็ตั้งใจฟังหน่อยก็แล้วกันอีกเรื่องเดียวจบละเรื่องหลวงพ่อดีเนาะผู้มองโลกในแง่ดีมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งถ้าอยู่จังหวัดอุดรหลวงพ่อท่านนี้ท่านมีความสุขตลอดชีวิตของท่านเนี่ยไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น ท่านก็ไม่ทุกข์เลยมีอีกครั้งหนึ่งลูกศิษย์นิ่บนท่านมาฉันเพลและแสดงธรรมแต่รถเสียรถมาช้าหลวงพ่อก็ตั้งใจจะไปฉันที่บ้านลูกศิษย์คิดว่าลูกศิษย์คงไม่มาแล้วแหละจึงนําอาหารที่ตนบินาบัดออกมาฉันฉันอาหารเขาเราก็ดีเนาะฉันไปได้สักพักหนึ่งลูกศิษย์ก็บาละมาถึงก็รีบมาที่บนให้หลวงพ่อขึ้นรถไปหลวงพ่อเพิ่งฉันได้ไม่กี่คํา ไปฉาดที่บ้านงานก็ดีเนาะหลวงพ่อนั่งรถไปได้แต่พักหนึ่งรถก็ไม่ติดคนขับก็ต้องลงไปซ่อมหลวงพ่อบอกก็ดีมก็ดีเนาะจะได้ชมอยู่ข้างทางหลวงพ่อจะไม่หุ่นกินเลยนะสังเกตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหลวงพ่อจะดีหมดดีเนาะหมดคนขับรถซ่อมต้องนานรถก็ไม่ยอมติดจึงมาว่าให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเข็นหลวงพ่อตอนนั้นก็อายุมากแล้วอ๋อหลวงพ่อก็ช่วยเข็นหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะจะได้ออกกําลังกาย เข็นสัพักหนึ่งรถก็ติดรถก็วิ่งมาถึงบ้านงานแต่ก็เลยเวลาฉันเพนลย์ลวพอรถเสียหลายครั้งมาถึงหลวงพ่อก็ไม่สามารถฉันเพลยได้อ่ะต้ออดมือช้าก็ฉันไม่กี่คําเจ้าภาพก็นิโมได้ขึ้นทํามาเทศเลยหลวงพ่อบอกก็ดีเนาะมาถึงได้ทาหน้าที่เลยขณะที่หลวงพ่อกาลังเทศแสดงธรรมอยู่ลูกศิษย์ก็รีบชงกาแฟมาถว า, ายด้วยความรีบร้อนจึงหยิบกระปุกเกลือเนี่ย แล้วก็ตักเกลือแทนแทน้ําตาลเพราะกระปุกมันคล้ายกันอยู่ใกล้กันหลวงพ่อฉันกาแฟรสชาติ พ, พี่รู้สึกเค็มๆหลวงพ่อก็ดีเนาะฉันกาแฟหวานๆมามากแล้วฉันไปได้ครึ่งแก้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วก็เทศต่อธรรมดาเกจิอาจารย์เนี่ยนะทานของเหลือลูกศิษย์น่ยส่วนมากก็อยากจะได้ถือว่เป็นสิริมงคลจึงรีบมาขอทานกาแฟที่เหลือต่อลูกศิษย์กินกาแฟไปได้หน่อยหนึ่งก็พ่นพวดออกมาเลย หลวงพ่อฉันจะไม่ได้ยังไงเนี่ยคิดไม่ถีเลยหลวงพ่อก็ยิ้มไม่ว่าอะไรแล้วก็มีเหตุการณ์อีกครั้งอีกเรื่องหนึง่งมีโจรมาป้นหลวงพ่อโจรมันก็ถือปืนขึ้นมาขู่เลยบอกหลวงพ่อมีของมีค่าอะไรส่งมาให้หมดหลวงพ่อแทนที่จะตกใจกลัวโจรหลวงพ่อก็ยิ้มแล้วก็ตอบโจรเลยว่าก็ดีเนาะเอ็งเอาสมบัติพวกนี้ไปก็ดีค่าขี้เหยียดเฝ้าเบือ่อเบือเบ่อเฝ้ามานานแล้วโจรมันก็บอกว่า ฆ่าแต่ไม่ใช่มาป่้นอย่างเดียวต้องฆ่าหลวงพ่อด้วยนะเพื่อปิดปากหลวงพ่อบอกว่าฆ่าก็ดีเนาะฆ่าเนี่ยแก่แล้วต้องมาดูแลรักษาสังขารที่เสื่อมโทมเองฆ่าฆ่าก็ดีเหมือนกันโจลรู้สึกสงสารหลวงพ่อนะก็บอกว่าไม่ฆ่าก็ได้ถ้างั้นหลวงพ่อบอกให้ฆ่าก็ดีเนาะโจลก็บอกว่าเอ๊ะฆ่าก็ดีไม่ฆ่าดีหลวงพ่อจะเอาไงกันแน่หลวงพ่อบอกถ้าเองฆ่าฆ่าเนี่ยเองก็ต้องถูกตํารวจตามจับเผื่อโดนตํารวจ วิสามันด้วยเองตายไปก็ต้องตกระลกเกิดใหม่ก็ต้องใช้กรรมใช้เวรอีกมากมายฉนั้นเองแม่ฆ่าฆ่าเนี่ยจึงดีเนาะโจรก็เห็นด้วยกับหลวงพ่อจึงเปลี่ยนใจไม่ปล้นไป่ฆ่าแล้วก็กลับราหลวงพ่อไปถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็คงตกใจนะเห็นโจรมาปล้นเนี่ยคงจะกลัวไม่พูดแบบนี้กับโจนหรอกพลุกเนเนยทำแบบหลวงพอดีเนาะได้เวลารออะไรนานก็ดีเนาะไม่โกรธไม่หุนห ง, งิดถูกพี่เลี้ยงดูก็ดีเนาะ เวลาคนขัดใจก็ดีเนาะเวลาพ่อแม่ดุก็ดีเนาะโดยครูตีก็ดีเนาะถ้าเราคิดอย่างนี้ชีวิตเราไม่ค่ยทุกข์หรอกเรามีความสุขเจออะไรก็ดีเนาะหมดเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจเอาหรอกในโลกกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบ ม, มียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสารเสื่อมมีนินทาไม่มีใครสามารถสมหวังได้ทุกเรื่องนั้นเราก็ต้องวางใจให้เป็นอยู่กับโลกกธรรมนี้ได้ หลวงพ่อก็เห็นว่าพูดให้ลูกเรียนฟังใน่วันนี้เจอฝนตกด้วยก็อาจจะประโยชน์น้อยแต่คิดว่ามีโอกาสมาพูดให้ฟังใหม่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนขอจบลงแค่นี้